นอนประมาณเจดแปดชั่วโมงไม่น้อยเลยนะหนึ่งในสของวันหรือว่าหนึ่งในสของชีวิตแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะมีอิทธิบทหนึ่งที่เราใช้มากใช้เวลามากกว่าการนอนซะอีกนะก็คือการนั่งนะคนสมัยนี้โดยเฉพาะในเมืองเนี่ยวันหนึ่งนี่นั่งประมาณเก้าหรือสิบชั่วโมงนะโอ้ไม่น้อยเลยทีแรกเราคิดว่านอนนี่เยอะแล้วนะกลับนั่งมากกว่าไม่ว่าจะเป็นนั่งกินข้าวนะนั่งรถไปทํางาน แค่นั่งรถไปทำงานนี่ก็ถ้าเป็นกรุงเทพนะก็สองสามชั่วโมงแล้วมีนักศึกษาคนหนึ่งบ้านอยู่บางนาไปเรียนที่ธรมศศธรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ลังสิตนะไปกลับก็สี่ชั่วโมงใช้เวลานานมากกว่าการเรียนหนังสืออีกนะสี่ชั่วโมงนี้ก็อาจจะยังไม่ถือว่ามากที่สุดนะบางคนก็ห้าหกชั่วโมงนะนี่วันธรรมดานะ ถ้ า, าฝนตกด้วยหนักเข้าไปใหญ่ถึงหมหาอุทายานแล้วหรือว่าถึงที่ทํางานแล้วก็นั่งต่ออีกนะนั่งโต๊ะเจแปดชั่วโมงนะกลับมาก็นั่งอีกนะระหว่างที่ขับรถมาก็นั่งถึงบ้านก็นั่งอีกนะนั่งกินข้าวนั่งดูโทรทัศน์นั่งเล่นเฟซนะจานวนที่มั่งมากเนี่ยนั่งมมากแบบนี้นี่เขาก็ว่ามิดเป็นปัญหานะมันไม่ใช่สบายนะไอ้ที่สบายก็จริงนะแต่ว่าในระยะยาวแล้วมีปัญหาเพราะว่ามันทําให้ นะเกิดโรคต่างๆมากมายเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานเพราะไม่ได้ออกกําลังการนั่นเองอันนี้พูดถึงการใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่นะเขาก็แนะนําว่าให้ต้องใช้ชีวิตให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นนะเดีย๋ยวนี้หลายแห่งนะในอเมริกานี่โต๊ะนี่จะเป็นโต๊ะทํางานที่สูงนะไม่ได้นั่งทํางานนะให้ยืนทํางานเพราะว่ายืนทํางานนี่มันออกกําลังกายแล้วทาให้มีผลทําให้สมองนี่ ทำงานดีขึ้นด้วยนะสุขภาพก็ได้งานก็ดีว่ากันว่านาโปเลียนเนี่ยนโปเลียนนี่เป็นจกักรพรรดินะที่ยิ่งใหญ่มากของฝรั่งเศสนะเมื่อ200ปีที่แล้วนี่เยก็ยืนทำงานนะนะยืนทำงานโตนี้ก็เป็นโตสูงหลายคนก็อย่างเช่นาดาวินชีเนี่ยดาวินชีนี่ก็เป็นนักวาดที่มีชื่อมากเมื่อ 400-500 ปีที่แล้วก็ยืนวาดรูปเหมือนกันนะอันนี้เขาก็เชื่อว่ามันทาให้สมองแล่นหรือกระมังนะ ช่วยสมัยใหม่เนี่ยต้องนะต้องออกกำลังกายมากขึ้นเขาว่าเนี่ยการเดินเนี่ยสำคัญมากนะเดินนี่ถ้าเดินได้วันละ19น้นี่ถือว่าใช้ได้จากนี่ไปถ้ามาไฟหวานนะหลวงพ่ออมเขียนนัเคยเดินก็ประมาณ5 3 0พก้าไปกลับก็19สถสถสถืเสร็จๆเศษนะ19น้นี่ก็ประมาณสัก 7กิโล7กิโลครึ่งหรือ8กิโลก็ระยะทางพอกับบินทบาทจากภูหลงนะวัดป่ามหาวันที่บ้านตัดลินทองไปกลับก็ประมาณนี้แหละน ะ, 10, ะถ้าเดินไม่ถึง 1,9 นนะอันนี้ถือว่ายังยังไม่ได้ออกกำลังกายมากเท่าที่ควรน ะ, ะพระเรานี่ก็ก็มีการเดินบินธบาศเหมือนกันนะ แต่ว่าที่สุขโตรเราเดิมมีตรบานี่ไม่ถึงหมื่นเก้านะอย่างมากก็ 5,900-6,900 นะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแง่คิดนะทีะ่พวกเรานะถ้าหากว่าสนใจเรื่องสุขภาพเนี่ยนะก็ต้องใส่ใจนอกจากการดูแลเรื่องอาหารล้างพิษแล้วเนี่ยการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นี่เราก็นั่งเยอะนะ เพราะว่าเรานั่งสร้างจังหวะนะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งอย่างเดียวเราก็เดินจงกลมด้วยนักปฏิบัติวันหนึ่งนี่ก็เดินเยอะเหมือนกันนะถ้านั่งสร้างจังหวะอย่างเดียวมันก็ในแง่ ร่างกายนี้ก็ก็ยังถือว่าไม่ดีนักนะแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าได้ยกไม้ยกมือบ้างนะดีกว่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆหรือนั่งคิดนั่งเรื่อยเปื่อยไปนีนะ่สุขภาพก็แย่ถ้าทําไปนานๆวาลาหลายชั่วโมงแต่นี้เราก็เดินจงกรมแล้วเรานั่งสร้างจังหวะการสร้างจังหวะนี่มันก็ช่วยออกกำลังกายนะยู่เส้นยืดสายเหมือนกันถึงหรือถึงแม้จะนั่งนิ่งๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่านั่งแล้วเนี่ยรักษาใจให้ดีมันก็ยังมีประโยชน์นะ คนสมัยนี้เวลานั่งไม่เพียงแต่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยจิตใจมันก็เหนื่อยด้วยร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายส่วนใจนี่ก็เครียดนะเครียดกับงาน อันนี้เรียกว่าเสียสองต่อนะก็คือร่างกายไม่ได้ออกนะทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวส่วนใจนี่ก็ฟุ้งซ่านนะใจนี่เครียดเต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยพิษพิษอารมณ์นะอันนี้มันก็ทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะเพราะว่าพอเครียดมากๆนี่ก็เป็นโรคหัวใจโรคความดันนะบางทีก็โรคกระเพาะด้วยยิ่งนั่งรถนานๆเนี่ยเช่นรถติดในกรุงเทพเนี่ยนะนั่งสองสามชั่วโมงต่อวันนะร่างกายก็ไม่ได้ออกกําลังกายนะ ส่วนใจนี่ก็สะสมหมักหมหมความเครียดเอาไว้นะมันก็เสียทั้งกายเสียทั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งนะเช่นนั่งสมาธิเนี่ยแม้ว่าร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าการตามลมหายใจเนี่ยสมมติว่าเรานั่งอนาปานสัตธรรมอนาปานสิภาวนามันก็มีผลต่อร่างกายเหมือนกันนะการที่กําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็เพิ่มพลังในร่างกายได้ส่วนจิตใจนี่ก็นะได้พักนะ มันก็ดีทั้งร่างกายและจิตใจได้เหมือนกันหรือว่าเราสร้างจังหวะเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เดินแต่เรายกมือนะมันก็ได้ออกกำลังกายส่วนหนึ่งแล้วขณะเดียวกันก็ได้ฝึกใจของเราไปด้วยนะให้ใจเรามีความรู้ตัวมีความสงบนะมีความตั้งมั่นนะไม่หวั่นไหวนะกับอารมณ์ที่มากระทบเนะี่ยอันนี้ก็ดีกับจิตใจเหมือนกันนะ แต่ไอ้ที่ยาสุดคือว่านั่งนะนั่งนิ่งๆแล้วก็เครียดไปด้วยไม่ว่าจะเครียดในที่ทํางานหรือว่าเครียดเพราะรถติดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะเวลาเรานั่งนะถึงแม้ว่าจะเจอรถติดแต่ว่าเราทําใจไม่ให้ติดขัดไปด้วยรถติดก็เป็นเรื่องของรถไปนะแต่ใจเราไม่ติดขัดนะรถติดแต่จิตไม่ตกนะอันนี้นะเป็นสิ่งที่เราทําได้และควรทําด้วยเดีนะ๋ยวนี้คนกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาอยู่ในรถนะปีหนึ่งประมาณ ร้อกว่าวันนะไม่น่าเชื่อนะสามร้อหสิบห้าวันคือหนึ่งปีเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ในอยู่บนรถอยู่บนถนนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะถ้าคิดเป็นวันก็ประมาณร้อยกว่าวันนะร้อยกว่าวันนี่หมายความว่ายีบสี่ชั่วโมงเต็มเต็มนะของทุกวันนะไม่เชื่อก็ลองคํานวณดูนะอยู่บนรถเมื่อวันละสามชั่วโมงต่อวันเนี่ยหรือหนึ่งในแปดนะกลับไปกลับเนี่ยนะมันก็ห้าหกชั่วโมงเข้าไปแล้วนะ เพิ่มมันก็เกือบจะหนึ่งในสามนะของวันทีเดียวนะอยู่บนรถเนี่ยอันนี้ไม่นับเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวนะเช่นไปต่างจังหวัด น, นี่ก็ไม่ใช่สมชั่วโมงนะหกเจดชั่วโมงนะยังมาวัดป่าสุกโตอันนี้ก็หกเจดชั่วโมงเข้าไปแล้วนะถ้าไปพูหลงนี่นก็แปดชั่วโมงนะรวมไปแล้วทั้งปีเนี่ยอยู่บนรถอยู่บนถนนเนี่ยร้อยกว่าวันนะหรือว่าเกือบเกือบหนึ่งในสามของปีนะ ดงนั้นาเราไม่รู้จักใช้เวลาบนถนนหรือบนรถนี่ให้เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นเจริญสติไปหรือว่ารักษาใจไม่ให้เครียดไม่ทุกข์นี่ยมันมีแต่เสียกับเสียนะนะไม่ใช่แค่เสียเวลาเสียสุขภาพด้วยนะการนั่งอยู่ในรถนานๆเพราะร่ า, างกายไม่ได้ออกกาลังกายนะยังไงก็ต้องได้สักอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งแต่ได้อย่างหนึ่งก็ยังดีนะนะตัวอยู่บนรถนะแต่ว่าใจก็ได้ฝึกสติได้ทําสมาธนะิหรืออ่านหนังสือก็ยังดีถ้าอ่านได้นะก็ยังได้ความรู้บ้าง ดีก็ปล่อยใจลอยแต่สมัยนี้ก็มีกิจกรรมอย่างอื่นทำนะเช่นเล่นเฟซเล่นไลน์นะแต่การเล่นเฟซเล่นไลน์นี่มันไม่ใช่ดีเสมอไปบางทีก็เครียดนะอ่านไปก็เครียดไปเล่นไปก็เครียดไปนะให้เรื่องการเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการาฝึกกายฝึกใจนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้นะอมีชีวิตนะที่เป็นประโยชน์นะทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะอย่างวันนี้ก็มีการทําประโยชน์ท่านนะอ จะมีการปลูกป่าเป็นนัดสุดท้ายน ะ, ะมีญาติโยมชัยภูมินี่จะมาพาพักพว้มาปลูกป่ากันวันนี้ก็มีคนกิจกรรมหลายอย่างนะเขาเรียกเป็นวันที่คาร์ฟรีเดย์คาร์ฟรีเดย์คือวันที่ปลอดการจากการใช้รถก็มีการลนลงจะขี่ จ, จั ก, กรยานนะแต่ว่าก็ญาติโยมชัยภูมิก็มาทําประโยชน์อีกแบบหนึ่งนะก็คือมาปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่าให้คาร์ฟรีเดย์นี้ก็เพื่อลดมลดพิษ นะให้กับโลกของเราการปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นการนะช่วยลดมลพิษได้ด้วยนะเพราะว่าต้นไม้มันก็ช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์ <ide> นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นออกซิเจนเป็นการปลูกป่าครั้งสุดท้ายนะของปนะีปีนี้ปลูกชานะเที่ยวสุดท้ายสังลานี่แต่ก็ไม่ถึงกับว่า สายมาเพราะว่าฝนก็ยังนะโปรยปลายลงมาดินยังชุ่มฉ่านะถ้าเป็นช่วงปีก่อนๆนี้ตอนนี้ปลูกตอนนี้ก็ถือว่าล่าไปแล้วเพราะว่าฝนก็จะเริ่มซาแล้วแต่นี่ฝนก็ยังไม่มีสีเท า, าจุดอย่างง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นการบําเพ็ญประโยชน์ท่านก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอนะออกกาลังกายและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เตรียมรับพร